ขอจเจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาผู้ฝ่ายบุญฝ่ายกุศลทุ ก, ท, กท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่หเมษายนพุทธศักราช2550เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาทำบุญสร้างกุศล สร้างบารมีมาศึกษาหาความรู้ที่จะพาชีวิตของเราให้ไปสู่ความก้าวหน้าสู่ความเจริญสู่ความร่มเย็นเป็นสุขเพราะชีวิตของเราก็เป็นเหมือนกับรถยนต์คันหนึ่งรถยนต์ก็ต้องเวลาออกเดินทางก็ต้องมีการ เดินหน้ามีการถอยหลังมีการเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวามีการวิ่งเร็ววิ่งช้าก็ต้องมีการเปลี่ยนเกียร์อยู่เรื่อยๆ ร, รถก็มีเกียร์เดินหน้ามีเกียร์ถอยหลังมีเกียร์หนึ่งเกียร์สองถึงเกียร์หชั้นใดชีวิตของเราก็เป็นเหมือนรถยนต์ก็ต้องมีเกียร์เหมือนกันเพราะว่าในสภาพของชีวิตของเรา เราก็ต้องพบกับเหตุการณ์พบกับบุคคลต่างๆที่ไม่เหมือนกันเราจะใช้เกียร์เดียวก็ไม่ได้เหมือนกับรถยนต์เวลาออกรถยนต์ก็ต้องใช้เกียร์ต่ำเมื่อรถวิ่งเร็วขึ้นก็ต้องเปลี่ยนเป็นเกียร์สูงขึ้นไปตามลำดับชีวิตของเราก็เหมือนกันชีวิตของเราก็ต้องมีเกียร์ว้ยคอยเปลี่ยนพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เรา มีเปลี่ยนเกียร์อยู่เรื่อยๆให้มีให้มีเกียร์อยู่กับใจกับใจของเราซึ่งมีอยู่สี่เกียร์ด้วยกันเกียร์ของใจนี้คือ 1. งความเมตตา 2. งความการุณา 3. มุนีตา 4. อุเบกขานี่เป็นเกียร์ของใจที่เราจะต้องใช้ปฏิบัติปฏิบัติในวาระที่เรา พบกับคนต่างๆเหมือนกับรถยนต์เวลาจะออกรถเนเบื้องต้นเราก็ต้องใช้เกียร์ต่าก่อนฉันใดเกียร์ที่เป็นพื้นนของใจก็คือความเมตตาเวลาเราเจอใครพบใครท่านก็ให้เราแผ่เมตตาให้มีไมตรีจิตให้มองว่าเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนร่วมโลกเพื่อนเกิดแก่เจ็บตาย ไม่ใช่เป็นศัตรูกันถึงแม้จะมีความจำเป็นที่จะต้องแข่งขันกันบ้างเวลาที่ทรมาหากินหรือแข่งขันในเรื่องอะไรก็ตามขอให้เราแข่งกันในฐานะที่เป็นมิตรเป็นเพื่อนกันแล้วเราจะมีความสุขทั้งสองฝ่ายเวลาเพื่อนชนะเราก็แสดงมุขดิตาจิตแสดงความยินดีต่อการชนะของเขา เวลาเพื่อนเราได้ดิบได้ดีมีความสุขมีความเจริญเราก็แสดงมุดิตาจิตเพราอจะทำให้เรามีความสุขไปกับเขาด้วยแต่ถ้าเราไปมีความอิจฉาริษยามีความไม่พออกพอใจก็จะสร้างความทุกข์สร้างความรุ่มร้อนให้กับจิตใจและจะทำให้เราต้องไปทำในสิ่งที่ไร้ความเมตตาต่อไป ดังนั้นเราจึงต้องรู้จักใช้เกียร์ของชีวิตให้ถูกกับสถานการณ์พื้นพื้นก็คือให้มีความเมตตาอยู่เสมอไม่ว่ากับใครก็ตามกับผู้ใหญ่กับเด็กกับคนใกล้ชิดหรือกับคนไม่ใกล้ชิดก็ขอให้เราแผ่เมตตาให้เท่าๆกันดังที่ทรงสอนว่าสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงหมายถึงคนทุกคนในโลกนี้ และสัตว์เดรัจฉานด้วยเขาก็มีชีวิ ต, ตจิตใจเขาก็อยากจะมีเพื่อนอยากจะมีความสุขไม่มีใครอยากจะมีสัตว์ปลูกไม่มีใครอยากจะมีความทุกข์กับบุคคลอื่นๆดังนั้นถ้าเราแผ่มเมตตาให้กับเขาเขาก็จะมีความสุขแล้วเขาก็จะยินดีที่จะแผ่มเมตตาให้กับเราเราก็จะมีความสุขด้วย ต่างฝ่ายต่างอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขเพราะไม่มีความจำเป็นถึงกับจะต้องฆ่ากันต้องทาลายต้องทาลายกันเพราะว่าเราสามารถอยู่กันในโลกนี้ด้วยความร่มเย็นเป็นสุขได้เพราะความต้องการของชีวิตนั้นไม่มากมายก่ายกองอะไรเลยปัญหาไม่ได้อยู่ที่ร่างกาย ปัญหาอยู่ที่กิเลสที่มีอยู่ในใจที่มีความโลภที่ไม่รู้จักพอนั่นเองมีมากมีน้อยเท่าไหร่ก็ไม่พอพอมีใครมาขัดขวางความโลภของเราเราก็เกิดความโกรธเกิดความอาฆาตพยาบาทแทนที่เราจะมีเมตตาเราก็กลายเป็นจิต ท, ที่ร้ายเมตตาไปพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เรา อย่าจองเวรกันเอาเวลาโหนตุจงเป็นผู้ไม่จองเวรกันจองจองเวรกันเถิดเวรไม่ระ ง, งับด้วยการจองเวรแต่เวรย่อมระ ง, งับด้วยการจองด้วยการไม่จองเวรด้วยการให้อภัยถ้าเราให้อภัยได้เราก็จะดับไฟนรกที่เผาจิตใจของเราคือความโกรธความแค้น S <S <an> เวลาที่เราโกรธเราแค้นนั่นใจของเราเหมือนเหมือนไฟนรกเราจะอยู่เฉยๆแทบไม่ได้เลยกินไม่ได้นอนไม่หลับถ้าเรามีธรรมะคือมีความเมตตามีการให้อภัยก็เท่ากับเรามีน้าดับไฟนรกนั่นเองถ้าเราฝึกแผ่เมตตาอยู่เรื่อยๆฝึกให้อภัยอยู่เรื่อยๆ พอเวลาที่เกิดความโกรธแค้นขึ้นมาเราก็จะสามารถดับไฟนรกนี้ได้ดับความแค้นนี้ได้ก็จะทำให้ใจเราสงบเย็นเป็นสวรรค์เหมือนเดิมคนเราจะเป็นเทพหรือเป็นมารก็อยู่ตรงที่เวลาเกิดความโกรธขึ้นมานี่เองถ้าเกิดความโกรธแล้วเรามีน้ำแห่งธรรมะมาดับคือการให้อภัย การไม่จองเวรกันใจของเราก็สงบเย็นสบายเราก็เป็นพระเป็นเทพได้เพราะเราไม่ต้องไปทำอะไรให้เกิดความเสียหายนั่นเองแต่ถ้าเราไม่มีน้ำแห่งธรรมมาคอยดับความโกรธของเราเมื่อมันร้อนมากๆเข้าก็ต้องไประบายโดยในทางที่ไม่ถูก คือไปทำร้ายร่างกายไปทำร้ายชีวิตของผู้ที่สร้างความโกรธแค้นอาฆาตพยาบาทให้กับเราเราก็เลยกลายเป็นมารไปกลายเป็นยักษ์ไปกลายเป็นสัตว์นรกไปเพราะเราขาดความเมตตาเราไม่สนใจที่จะฝึกที่จะแผ่เมตตาอยู่เรื่อยๆ ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้เราหมัน่นแผ่เมตตาอยู่เรื่อยๆด้วยการละเลึกในเบื้องต้นในเบื้องต้นให้ละเลึกอยู่เสมอว่าสัพเพสัตตาอเวราโหตุไม่เบียดเบียนกันสัพเพสัตตาอัปปายาปัจชาโหนตุไม่ไม่เบียดเบียนกันเมื่อกี้อเวราก็ไม่ไม่จองเวรกัน การไม่เบียดเบียนกันก็หมายถึงการไม่ทำลายทำลายชีวิตของกันและกันนั่นเองต้องหลีกเลี่ยงจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอย่าไปหลีกเลี่ยงจากการเอาทรัพย์ของผู้อื่นหลีกเลี่ยงจากการประพฤติผิดประเวณีหลีกเลี่ยงจากการพูดปดมดเ ท, ท็จและหลีกเลี่ยงจากการเสพสุรายาเมาเพราะสิ่งเหล่านี้จะทำให้เรา ไปสร้างความเดือดร้อนสร้างความทุกข์สร้างความหายาณะให้กับผู้อื่นแล้วความทุกข์ความหายาณะนั้นก็จะย้อนกลับมาหาเราเมื่อเราทำใครแล้วเราก็จะเกิดความหวาดวิตกเกิดความหวาดกลัวกลัวที่จะต้องใช้เวรใช้กรรมกก ล, ลัวเขาจะมาจับเราไปลงโทษจับไปเข้าคุกเข้าตาราง เราก็ไม่มีความสุขเลยแต่ถ้าเรามีธรรมะคือมีความเมตตามาดับในขณะที่เกิดความโกรธหรือกเกิดความโลภอยากจะได้สิ่งต่างๆเราก็จะสามารถรักษาความสงบสุขของใจได้รักษาความเป็นพระความเป็นเทพความเป็นมนุษย์ของเราไว้ได้ถ้าเรา ฝึกอยู่เรื่อยๆสอนใจเราอยู่เรื่อยๆอย่าทำเพียงแค่นานๆทีค่อยระลึกถึงทีต้องพยายามระลึกถึงอยู่เรื่อยๆทุกวันทุกเวลาทุกขณะที่เรามีเวลาว่างขอให้เราฝึกแผ่เมตตาอยู่เรื่อยๆฝึกให้อภัยอยู่เรื่อยๆลองสมมุติขึ้นมาในใจก็ได้ว่าถ้าใครเขามาพูดมาทำอะไรให้เราโกรธแค้นแล้ว เราต้องให้อภัยเขาให้ได้มันไม่ยากเลยการให้อภัยคือการไม่ลืมคือการไม่คิดถึงเรื่องที่เขาทำเสียมันก็ให้อภัยได้แล้วพอเราลืมเรื่องที่เขาทำเราแล้วความโกรธมันก็หายไปเองอย่าไปคิดถึงเรื่องที่เขาทำให้เราโกรธเพราะยิ่งคิดก็ยิ่งทำให้เราโกรธเราต้องคิดเสมอว่าเราไปควบคุมบังคับคนอื่นไม่ได้ ไปบังคับให้เขาดีกับเราเสมอไปไม่ได้ไปบังคับให้เขาทําตามความต้องการของเราเสมอไปไม่ได้แต่สิ่งที่เราบังคับได้ก็คือใจของเราเราสามารถบังคับใจของเราให้อยู่เย็นเป็นสุขได้ถ้าเราไม่ไปข้องเกี่ยวกับการกระทําของคนอื่นใครก็จะทําอย่างไรก็คิดว่าเป็นเหมือนกับลมกับแดดก็แล้วกัน แดดลมจะเป็นอย่างไรเราก็ไม่ไปเกี่ยวข้องกับเขาฝนจะตกแดดจะออกเราก็ปล่อยให้เขาเป็นไปตามเรื่องของเขาฉันใดใครจะพูดอะไรใครจะทำอะไรก็ถือว่าเป็นเรื่องของเขาถ้าเราต้องสูญเสียอะไรไปบ้างที่เกิดจากการกระทาของเขาก็คิดเสียว่ามันเป็นเคราะหกรรมของเราก็แล้วกันส่วนหนึ่งของชีวิตที่เราเกิดมาก็เพื่อมาใช้กรรมใช้ใช้กรรมนี้เอง หรือไม่ฉะนั้นก็คิดว่าสิ่งต่างๆที่เรามีอยู่มันก็เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้เนี่ยนอนเป็นอนิจจังนะรมันจะไม่อยู่กับเราไปเสมอสักวันหนึ่งมันก็ต้องจากเราไปถ้าเราไม่ยึดไม่ติดไม่หลงแล้วเวลามันจากเราไปเราก็จะรู้สึกเฉยๆดีไม่ดีอาจจะคิดว่าสบายใจสอีกดีไม่ต้องดูแลไม่ต้องคอยรักษาหมดแล้วก็หมดไป แม้แต่ชีวิตนี้ถึงแม้มันจะหมดไปก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะใจไม่ได้หมดไปกับการตายของร่างกายใจนี้ไม่มีใครมาสามารถทำลายให้หายไปได้ให้หมดไปได้แต่ความโง่คือความหลงของเรานี้จะทำให้ใจของเราทุกข์ได้ถ้าเราขาดความเมตตาดังนั้นถ้าเราอยากจะมีความสุขอยู่ตลอดเวลาท่ามกลาง การสูญเสียท่ามการการเปลี่ยนแปลงท่ามการสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาทั้งหลายขอให้เรามีเมตตาไว้เสมอเถิดให้เรารู้จักให้อภัยให้เราไม่เบียดเบียนผู้อื่นแล้วเราจะอยู่อย่างสุขอย่างสบายนี่คือเกียร์เกียร์หนึ่งที่เราควรที่จะมีไว้อยู่ตลอดเวลา เกียรที่สองของใจก็คือความกรุณาความกรุณาก็คือความสงสารเวลาที่เห็นผู้อื่นตกทุกข์ได้ยากลำบากลาบนเช่นเวลามีภัยต่างๆน้ำท่วมไฟไหม้เข้ายากหมากแพงแห้งแล้งคนไม่มีอาหารจะกินไม่มีปัจจัยสี่ถ้าเรามีเหลือเราก็ควรที่จะ ดูแลกันช่วยเหลือกันมีความสงสารคิดคิดว่าเขากับเราก็อยู่ในเรือลาเดียวกันวันนี้เราอาจจะสุขวันนี้เขาอาจจะทุกข์แต่พรุ่งนี้ก็อาจจะกลับกันพรุ่งนี้เขาอาจจะสุขพรุ่งนี้เราอาจจะทุกข์ก็ได้ถ้าต่างฝ่ายต่างคอยดูแลกันความทุกข์ยากลาบากต่างๆก็จะไม่หลักหนาสาหัสสากัน ก็จะสามารถอยู่กันไปได้พอถูถ่ายกันไปได้ไม่แร้นแค้นจนเกินไปนี่คือความกรุณาขอให้เรามีความสงสารต่อเพื่อนที่ตกทุกเพื่อนมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายที่ตกทุกข์ได้ยากและจะทำให้เรามีความสุขเพราะพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าให้ความสุขกับผู้อื่นความสุขนั้นก็จะย้อนกลับมาหาเรา เช่นเดียวกับการให้ความทุกข์กับผู้อื่นความทุกข์นั้นก็จะย้อนกลับมาหาเราเช่นเดียวกันดังนั้นถ้าเราต้องการความทุกข์ไม่ต้องการความต้องไม่ต้องการความทุกข์ต้องการแต่ความสุขเราก็อย่าไปเบียดเบียนผู้อื่นเราต้องมีความสงสารคอยดูแลคอยช่วยเหลือผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากแล้วเราจะอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขไม่มีภัย เพราะคนที่ทำแต่ความดีไม่มีใครเขาเกียรตไม่มีใครเขาอยากจะทำลายอยากจะให้ตายอยากจะฆ่าให้ตายเพราะเป็นคนดีมีประโยชน์ต่อสังคมนั่นเองและเราก็จะมีความสุขด้วยอยู่อย่างสุขอย่างสบายใจนี่คือเกียริที่สองส่วนเกียรที่สามก็คือมุดิตาจิต ดังที่ได้แสดงไว้เมื่อกี้นี้แล้วคือความแสดงความยินดีมีความสุขกับความเจริญความสุขของผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามคนที่เรารักก็ตามหรือคนที่เราไม่รู้จักก็ตามถ้าเขามีความสุขเขาได้รับความเจริญเราก็ควรจะแสดงมุติตาจิตแสดงความยินดีให้กับเขาชื่นชมยินดี ทำให้จิตใจเรามีความสุขตามไปด้วยไม่ว่าเราจะแข่งขันอะไรกับใครเวลาที่เราแพ้เขาชนะเราอย่าไปคิดในทางที่ไม่ดีคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาการแพ้การชนะนี่เป็นธรรมดานะเมื่อเขาชนะเราก็แสดงความยินดีไปนะเรื่องก็จบ ไม่มีปัญหาตามมาแต่ถ้าเราไม่ยอมแพ้เรื่องมันก็จะบานปลายไปได้แล้วจะจะกลายเป็นศัตรูกันไปแทนที่จะเป็นเพื่อนกันก็จะกลายเป็นศัตรูศัตรูนี่เป็นสิ่งที่เป็นอันตรายต่อชีวิตของเรามากคนที่เขาไม่เป็นศัตรูกับเรานั้นเขาจะไม่ทำอะไรเราแต่ถ้าเขาเป็นศัตรูกับเราแล้ว เขาก็จะต้องทำอะไรเราอยู่เสมอดังนั้นจงอย่าไปสร้างศัตรูขึ้นถ้าสร้างมิตรไม่ได้ก็อย่างน้อยก็อย่าไปสร้างศัตรูก็ให้มีเกียร์สีก็คืออุบเบกขาคือทำใจให้วางเฉยทำใจให้สงบให้นิ่งไม่โกรธไม่ไม่เสียใจไม่พอใจไม่ ทำใจให้เฉยๆเวลาที่เราแพ้ถ้าเราแสดงความยินดีแสดงมุนิดาจิตก่บผู้อื่นไม่ได้ก็ทําใจให้นิ่งสงบให้เฉยให้ปล่อยวางให้ถือเสียว่ามันเป็นไปตามเรื่องของมันก็แล้วกันวันพระไม่มีหนเดียวคิดอย่างนี้ก็ได้โอกาสหน้าเมื่อแข่งขันกันใหม่เมื่อเราไปฝึกซ้อมใหม่ ต่อไปเราก็อาจจะชนะกับเขาได้เหมือนกันคิดอย่างนี้แล้วเราจะได้ไม่ต้องไปอจองเวรจองกรรมกันไม่ต้องไปสร้างศัตรูกันต่างฝ่ายต่างอยู่กันไปต่างฝ่ายต่างแข่งขันกันไปชีวิตของเราก็จะไม่มีปัญหาอะไรตามมาปัญหาของพวกเราส่วนใหญ่ก็เพราะ เราหักห้ามจิตใจไม่ได้เวลาเกิดที่เราแข่งขันกับใครเวลาที่เขาชนะเราเราก็จะมีความรู้สึกที่ไม่ดีเราก็พยายามโทษสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วก็พยายามที่จะหาทางเอาชนะกลับให้ได้โดยบางทีก็ไปใช้วิธีที่ไม่ดีไม่ถูกต้องตามกฎกติกา ถ้าเป็นนักมวยก็ต่อยใต้เข็มขัดอย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้ก็จะทำให้การชนะของเรานั้นไม่ไม่น่าภูมิใจไม่ได้เป็นความชนะที่แท้จริงรู้จักแพ้ดีกว่าไม่รู้จักแพ้แพ้แล้วเป็นพระแพ้ได้จะเป็นพระแพ้ไม่ได้จะเป็นมาร น, นี่คือเรื่องที่เราควรที่จะคอย ดูแลคอยสั่งสอนจิตใจของเราอยู่เสมอเสมอเราต้องเฝ้าดูความคิดของเราเฝ้าดูอารมณ์ของเราด้วยสติอยู่เสมอว่าเราขณะนี้กำลังมีอารมณ์อะไรกำลังคิดจะทำอะไรถ้าเรามีอารมณ์ไม่ดีเราจะพูดอะไรหรือจะทำอะไรจะต้องระมัดระวัง ถ้าไม่จำเป็นจริงๆก็อย่าไปพูดอย่าไปทำรอให้สงบสติอารมณ์เสียก่อนเพราะเวลาที่อารมณ์เสียเวลาพูดอะไรทำอะไรจะพูดไม่ดีจะทำไม่ดีแต่ถ้าเรารอให้เราสงบสติอารมณ์ก่อนอารมณ์เสียหายไปหมดอารมณ์เป็นปกติแล้วการพูดการกระทำอะไรก็จะเป็นปกติ เพราะไม่เช่นนั้นแล้วถ้าเราพูดเราทำในขณะที่เราถูกอารมณ์ไม่ดีครอบงาอยู่เราจะไปพูดไม่ดีทำไม่ดีแล้วก็จะเกิดโทษตามมาทำให้เราต้องเสีย อ, อกเสียใจในภายหลังรู้อย่างนี้ไม่ทำดีกว่ารู้อย่างนี้ไม่พูดดีกว่าแต่เป็นเพราะเราไม่มีเบรกนั่นเองเราไม่ได้เคยติดเบรกไว้ เราจึงต้องหัดติดเบรก break ให้กับใจใจของเรานอกจากมีเกียร์แล้วยังต้องมีเบรกด้วยเบรกนี้ก็คือการหยุดใจนั่นเองหยุดใจไม่ให้คิดหยุดใจไม่ให้พูดหยุดใจไม่ให้ทำเช่นเวลาเกิดความโกรธแล้วอยากจะไปด่าผู้อื่นอยากจะไปทำร้ายผู้อื่นเราก็หยุดใจด้วยการสวดมนต์ไปภายในใจก็ได้ สวดไปเรื่อยๆสวดอรหังสัมมาอย่าไปคิดถึงเรื่องที่ทําให้เราโกรธอย่าไปคิดถึงคนที่ทําให้เราโกรธเบีเ่ยงเบนใจของเราให้ไปหาธรรมะให้ไป ส, ไปสวดมนต์สวดไปเรื่อยๆสวดไปสักระยะหนึ่งแล้วเดี๋ยวใจก็จะเบาใจก็จะสบายความโกรธความแค้นก็จะหายไป แล้วเราก็จะได้ไม่ต้องมาเสียใจภายหลังเพราะว่าเราไม่ได้ไปพูดไม่ได้ไปทําอะไรที่ไม่ดีนั่นเองดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้ชาวพุทธเราฝึกจิตอยู่เรื่อยๆทำจิตใจให้สงบอยู่เรื่อยๆหัดหยุดจิตหัดหยุดใจไว้เสียบ้างนะอย่าปล่อยให้มันคิดไปเรื่อยเปื่อยตลอดเวลาคนหาเวลาที่ว่างที่สงบ แล้วก็นั่งทำจิตใจให้นิ่งด้วยการสวดมนต์ไปภายในใจหรือจะบริกรรมพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆก็ได้ถ้าเราทำได้อย่างต่อเนื่องโดยที่ไม่ปล่อยให้ใจไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ช้าก็เร็วใจก็จะรวมลงสู่ความสงบเมื่อรวมลงแล้วใจจะนิ่งใจจะสบายใจจะมีความสุขมากจะไม่หิวไม่อยาก จะไม่มีความต้องการอะไรในขณะนั้นแม้แต่เป็นเวลาไม่นานก็ตามเมื่อใจถอนออกจากความสงบนั้นแล้วก็จะรู้จะเกิดปัญญาขึ้นมาว่าความสุขที่แท้จริงนี้ไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยอยู่ที่ความสงบของใจเรานี้เองแล้วหลังจากนั้นเราก็จะมีความยินดีความพอใจที่จะทำใจให้สงบอยู่เรื่อยๆ ด้วยการสวดมนต์ก็ดีด้วยการระลึกถึงพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆก็ดีทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆต่อไปเราจะมีความสุขโดยที่เราไม่ต้องมีอะไรเมื่อเราไม่ต้องมีอะไรเราก็ไม่ต้องไปแข่งขันกับใครเพราะเราพอมีพอกินพอใช้อยู่แล้วเราไม่โลภสักอย่างหนึ่งแล้วเราไม่ต้องไปแข่งขันกับใคร เมื่อไม่แข่งขันก็ไม่ต้องไปมีเรื่องมีราวไม่ต้องไปมีปัญหากับใครชีวิตของเราก็จะมีแต่ความสุขมีแต่ความสบายไปอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นก็ตามเราสามารถหักห้ามจิตใจของเราได้เวลาที่เราสูญเสียอะไรไปเราก็สามารถหักห้ามความเศร้าโศกเสียใจได้เวลาที่เรา เจ็บไข้ได้ป่วยเราเกิดความทุกข์ทรมานใจเราก็สามารถดับความทุกข์ทรมานใจได้ด้วยการสวดมนต์ด้วยการบริกรรมพุโทโธพุธโทโธนี่แหละดีกว่ายาอะไรทั้งสิ้นในโลกนี้ยาที่วิเศษที่สุดก็คือธรรมโอสถยาของธรรมะนี่เองคือการภาวนาการทำจิตใจให้สงบ ด้วยการสวดมนต์ด้วยการบริกรรมพุทโธพุทโธหรือด้วยการปรองอนิจังทุกขังอนัตตายอมรับว่าร่างกายนี้เกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นธรรมดาเกิดมาแล้วต้องพัดพากจากกันเป็นธรรมดาถ้าเรารับความจริงนี้ได้เวลาที่เกิดความแก่ความเจ็บความตายเกิดการพัดพากจากกัน เราจะรู้สึกเฉยๆไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายอะไรเพราะใจไม่ได้เป็นอะไรไปกับร่างกายนั่นเองร่างกายก็เป็นเหมือนกับเก้าอี้ตัวหนึ่งเก้าอี้เมื่อมันเก่ามันพังไปใจก็ไม่ได้เก่าไม่ได้พังไปกับเก้าอี้แต่อย่างใดเราก็ไปหาหาเก้าอี้ใหม่ก็ได้หรือไม่ต้องหาเก้าอี้มาเลยก็ได้ถ้าเราไม่อยากจะนั่งเก้าอี้เราก็นั่งกับพื้นก็ได้ ใจก็เป็นอย่างนั้นเวลาร่างกายแก่เจ็บตายไปใจก็ไม่ได้แก่เจ็บตายตามร่างกายไปก็ปล่อยให้มันตายไปให้มันหมดไปใจก็ยังอยู่ได้ถ้าไม่อยากจะได้ร่างกายใหม่ก็ไม่ต้องมีร่างกายใหม่ก็ได้เช่นพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายท่านไม่ต้องการร่างกายใหม่อีกต่อไปเพราะท่านเห็นว่ามีร่างกายทไก็ต้องมีความแก่มีความเจ็บ มีความตายตามมามีการพัดพรากจากการตามมาท่านเห็นว่ามีร่างกายก็เท่ากับมีความทุกข์นั่นเองถ้าไม่ต้องการความทุกข์ก็อยากไปมีร่างกายดีกว่าเพราะจิตมีความสุขอยู่ของจิตอยู่แล้วอยู่กับความสงบนั่นแหละคือความสุขที่เลิศที่ประเสริฐที่สุดที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายมีเป็นสมบัติไว้ครอบครอง มันก็จะเป็นสมบัติของพวกเราเช่นเดียวกันถ้าเราดำเนินตามทางที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนคือให้มีเมตตามีความกรุณามีมุนิตามีอุบเบกขาและมีการภาวนาทำจิตใจให้สงบด้วยการสวดมนต์หรือด้วยการบริกรรมภาวนาด้วยการบริกรรมพุทโธพุทโธหรือการตรงอนิจจังทุกขังอนัตตา ถ้าเราทำสิ่งเหล่านี้ได้แล้วรับรองได้ว่าชีวิตของเราจะอยู่เหนือความทุกข์ทั้งหลายจะมีแต่ความสุขไปตลอดอนันตการยินขอฝากเรื่องการบำเพ็ญประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคาสอนให้ท่านได้นำเอาไปประพฤติปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา จึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณทศีรัตนตรมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และบุญกุศลที่ท่านได้มากระทำกันในวันนี้จงปกป้องคุ้มครองรักษาให้ท่านอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขแค้วค่ า, าปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงโดยทั่วหน้ากันเธอ